รายนี้พ่อผิดต่อลูกเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งพ่อบักวิทย์บักวิทย์เนี่ยเป็นหลานอาจารย์สวยัยอาจารย์สวัยนี่มีแม่คนหนึ่งแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งไอ้น้องสาวบ้าบอนี่ก็ไปเที่ยวหาแต่ลูกมาให้หลวงลุงเลี้ยงมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งหลวงลุงก็อยากจะให้หลานมีการเรียนการศึกษาจูงมือไปที่อุบล